มาถึงวันนี้เรารู้สึกเปล่ว่าการภาวนาจริงๆไม่ได้ยากอะไรแต่ว่ากว่าจะตื่นขึ้นมาได้สักคนหนึ่งลําบากมากเลยตื่นขึ้นมาแล้วกว่าจะแยกขันได้เห็นธาตุเห็นขันเห็นสภาวะธรรมแต่ละตัวแต่ละตัวแยกออกจากกันก็ยากมากนี่พวกเราเวลาเนี้ยจํานวนมากเลยเราสามารถแยกได้แล้ว อย่างเราเห็นว่าร่างกายกับใจเป็นโค้ดลานกันเราเห็นว่าความรู้สึกสุขทุกข์กระใจกับร่างกายไม่โค้ดลานกันเราเห็นว่าความจําได้ความหมายรู้กับใจก็เป็นโค้ดลานเราเห็นความปรุงดีปรุงชั่วกับใจเป็นโค้ดลานกันเมื่อเราสามารถเห็นสภาวะธรรมได้แล้ว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 เป็นความรู้ที่อยู่ในแวดวงนักปฏิบัติจำนวนไม่มากส่วนใหญ่ไม่ได้สอนให้ฆราวาสฟังฆราวาสเนี่ยครูบาอาจารย์แต่ก่อนท่านประเมินเอาไว้ว่าสอนให้แค่ทำทานถือศีลก็วิเศษวิโสนักหนาแล้วละยามาสอนสมาธิสูงๆนะก็ทำไม่ได้จริงนะพอสมาธิทำไม่ได้จะไปเจริญปัญญาได้ยังไง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 หลวงพู ด, ดุลเคยบอกหลวงพ่อไว้นะว่าถ้าไม่ได้บอกหลวงพ่อท่านบอกกับพวกพระที่อยู่กับท่านพระมาบอกหลวงพ่ออจริง ท, ท่านบอกว่าต่อไปการดูจิตจะรุ่งเรืองในเมืองคำ่าอย่างนี้การดูจิตจะรุ่งเรืองในเมืองเนี่ยครูบาจารย์ยานทัศนะท่านยาวไกลนะถ้าเป็นอย่างหลวงพ่อนะเราไม่มีฤทธิดเดชอย่างครูบาาจารย์แต่เราวิเคราะห์จากสถานการณ์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 ท่านแสดงธรรมมาจากสอนธรรม ะ, ะสอนสิ่งทั้งหลายมันมีเหตุสอนเหตุวสอนผลแล้วก็ถ้าละเอียดเข้าไปนะเหตุไฟโรคไฟความเกิดก็คือตันหาผลก็คือทุกผลของความปรุงแต่งความเกิดนะเหตุในทางวิวัตตะคือมรรคนะผลก็คือตัวอริยผลมีเรื่องเหตุเรื่องผลเรื่องเหตุเรื่องผล อริยสัจเลยครอบคลุมธรรมะทั้งฝ่ายโลกิยะทั้งฝ่ายโลกุตระนะครอบคลุมนี่เราวันหนึ่งเราก็จะเข้าใจอริยสัจด้วยตัวของเราเองอย่างแต่เดิมหลวงพ่อก็เข้าใจว่าเข้าใจอริยสัจตั้งแต่เด็กแล้วเขาอ่านหนังสืออ่านเรื่องอริยสัจเกิดแก่เจ็บตายเป็นทุกข์นะพลาดพลากจากสิ่งที่รักเป็นทุกข์ประสบสิ่งที่ไม่รักเป็นทุกข์ปรารถนาแล้วไม่สมปรารถนาเป็นทุกข์ แม้ความสศกความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจก็เป็นทุกข์คิดว่ารู้ทุกข์จริ ง, รงๆยังไม่รู้หรอกเดีนะ๋ยวสว่าบดสุดท้ายท่านสรุปเนสังคีเตนะปัญจุปาทานกันธ า, น ท, าทุกขาโดยสรุปเนะี่ยปุปาทานกันทั้งห้าเป็นตัวทุกข์คือตัวรูปนามเป็นทุกข์เราไม่เห็นแต่เราไม่รู้ดังนะนั้นกว่าเราจะเข้าใจเรื่องอริยสัจนะเราต้องค่อยๆภาวนาค่อยๆรูปคลําไป ตามทิศทางที่พระพุทธเจ้าสอนนะนี่เรากรรมฐานนะที่เหมาะกับพวกเรามันทําง่ายๆก็คือจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานการดูจิตดูใจนะั้นเราไม่ได้ดูตัวจิตตรงๆเพราะอะไรเพราะตัวจิตเนี่ยคือธรรมชาติที่รู้อารมณ์นะมันไม่มีรูปร่างไม่มีร่องรอยอะไรเลยนะมันเป็นแค่ตัวที่รู้อารมณ์เท่านั้นเองอยู่ๆเราไปดูตัวจิตเราจะหาจิตไม่เจอหลวงปู่ ด, ดูเลยสอนบอกว่า ถ้าใช้จิตไปแสวงหาจิตนะอีกกับหนึ่งก็ไม่เจองั้นอย่างเราจะดูจิตเนี่ยเราตั้งใจอันไหนดูจิตซิดูปุ๊บลงไปเนียเราจะไปดูช่องว่างเราจะไม่ได้ดูจิตเพราะอะไรเพราะจิตเป็นคนไปดูเราไม่เห็นว่าจิตเป็นคนไปดูแล้วเราจะไปดูอสิกที่จิตไปรู้เข้างั้นดูยังไงดูยังไงดูเข้ามาไม่ถึงจิตหรอกจิตเนี่ยไม่มีรูปร่างนะไม่มีร่องรอยอะไรที่จะให้เราสังเกตได้ง่ายๆนะมันเหมือนแก๊ ที่บริสุทธ์นะแก๊สหูข้าวอะไรเนี่ยไม่มีสีไม่มีกลิ่นนะเราไม่รู้เลยเวลามันรั่วขึ้นมาเนี่ยตายเปลาๆไม่รู้เลยแต่เรารู้ถึงความมีอยู่ของแกส๊สที่รั่วออกมาได้นะเพราะเขาเติมกลิ่นเข้าไปนะเติมสภาวะบางอย่างเข้าไปมันทำให้เราจับร่องรอยนะของสิ่งซึ่งดูยากขึ้นมาได้ตัวที่จะาให้เราดูจิตตัวเองออกนะก็คือสิ่งที่เรียกว่าเจตสิกเจตสิก หมายถึงว่าสภาวะธรรมบางอย่างนะที่เกิดร่วมกับจิตมันเกิดพร้อมกับจิตแล้วมันก็ดับพร้อมกับจิตเจตสิกนี่มีสามตัวใหญ่ๆนะคกอตัวเวทนาคือความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์ความรู้สึกเฉยๆไม่สุขไม่ทุกข์ตัวที่สองคือตัวความจําได้หมายรู้นะแล้วก็ตัวที่สามนะคือตัวสังขารความปรุงดีปรุงชั่วปรุงกลางๆไม่ดีไม่ชั่วนะสิ่งเหล่านี้แหละนะ ตัวที่ปรุงแต่งจิตนี่แหละมันทำให้จิตแต่ละดวงเนี่ยมีลักษณะที่แตกต่างกันอย่างจิตที่มีความสุขเนี่ยกับนะจิตที่มีความทุกข์เนี่ยมันแตกต่างกันพวกเรารู้สึกไหมเราจะเห็นว่าจิตตอนนี้มีความสุขอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปนะเกิดจิตเฉยๆขึ้นมาจิตเฉยๆอยู่ชั่วคราวแล้วหายไปเกิดจิตมีความทุกข์ขึ้นมาจิตมีความทุกข์อยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไป เกิดจิตเฉยๆอีกหรือจิตมีความสุขขึ้นมาอีกเนี่ยมันหมุนอยู่อย่างนี้อาศัยร่องรอยนะของความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์รู้สึกเฉยๆนะทำให้เราสังเกตได้ว่าจิตนี้เกิดแล้วก็ดับไปจิตที่มีความสุขเกิดแล้วก็ดับไปจิตที่มีความทุกข์เกิดแล้วก็ดับไปจิตที่เฉยๆเกิดแล้วก็ดับไปงั้นเราดูตัวจิตตรงๆไม่ได้นะเราอาศัยดูผ่าน สภาวะธรรมที่เกิดร่วมกับจิตทําให้เราสามารถแยกได้ว่าจิตดวงนี้กับจิตอีกดวงหนึ่งเป็นคนละดวงกันนัจิตที่สุขก็เป็นคนละดวงกันกับจิตที่ทุกข์เป็นคนละดวงกับจิตที่เฉยเฉยจิตที่ทุกข์ก็เป็นคนละดวงกับจิตที่มีความสุขเป็นคนละดวงกับจิตที่เฉยเฉยจิตที่เฉยเฉยเป็นคนละดวงกับจิตที่มีความสุขและความทุกข์นี่จะค่อยๆหัดดูไปแลเราจะเข้ามาถึงการดูจิตดูใจได้จริงๆ นี่บางคนไม่ถนัดที่จะดูเวทนานดูไปที่ตัวสังาขารก็ได้สังขารส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นกับจิตใจของเราเนี่ยเป็นสังขารฝ่ายช่วงอย่างความโลภความโกรธความหลงเนี่ยเกิดได้แทบทั้งวันเลยเดี๋ยวก็ใจลอยเดี๋ยวก็ใจลอยอย่างนี้หลงใช่ไหมใจลอยไปแล้วไปชอบนี่เกิดโลภขึ้นมาใจลอยไปแล้วไปเกลียดนี่เกิดโทสะนะเกิดไม่ชอบขึ้นมาเนี่ยเราอาศัยสังเกตไป จิตท please, rules, ี่เฉยๆนะจิตท like, ี่เฉยๆจิตที่หลงๆอยู่เนะก็อย่างหนึ่งนะจิตที่รู้สึกตัวก็อย่างหนึ่งจิตที่โกรธก็อย่างหนึ่งนะจิตที่โลบก็อย่างหนึ่งไม่เหมือนกันนะจิตแต่ละดวงแต่ละดวงมันเลยแตกต่างกันงั้นอย่างถ้าเราขี้โกรธเนี่ยเราก็ดูจิตมันวันนึงเราก็จะเห็นนะเดี๋ยวก็จิตก็โกรธเดี๋ยวก็หายโกรธเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็หายโกรธหัดดูอย่างเนี้ยเราก็จะรู้ว่าจิตนี้ไม่เที่ยง จิตกโกรธเกิดแล้วก็ดับจิตไม่กโกรธเกิดแล้วก็ดับจิตโกรธก็สั่งไม่ได้นะห้ามไม่ได้จิตจะไม่โกรธก็สั่งให้เกิดขึ้นไม่ได้มันจะโกรธเนี่ยสั่งให้หายกโกรธก็ไม่ได้พอ <c oughs> จิตไม่โกรธแล้วเดี๋ยวมันก็โกรธใหม่จะสั่งมันว่าอย่ากโกรธอีกนะก็ห้ามไม่ได้อีกเนี่ยเราจะหานดูความเป็นจริงของจิตนะโดยอาศัยผ่าน สิ่งที่เกิดร่วมกับจิตมันทําให้เราสามารถแยกได้ไว่าจิตดวงหนึ่งกับจิตอีกดวงหนึ่งเป็นคนละดวงกันเราก็จะเห็นว่าจิตนั้นเกิดดับอยู่ตลอดเวลาเงั้นที่ว่าดูจิตดูจิตเนี่ยไม่ได้ดูจิตตรงๆเพราะไม่มีอะไรให้ดูนะตรงที่โลกูมั่นสอนโลกุดุลโลกุดุลไม่ใช่คนที่คิดเรื่องการดูจิตขึ้นมานะแต่โลกุดุลเอาเรื่องการดูจิตมาสอนกลวงพ่อนะแล้วสอนในวงกว้างๆขึ้นมา หลวงปมั่นสอนหลวงปู่ดูลให้ดูจิตประโยคที่ท่านสอนบอกว่าสเพสังขาราสัพพสัญญาอนิจจาสังขารทั้งหลายสัญญาทั้งหลายไม่เที่ยงสเพสังขาราสัพพสัญญาอนัตตาสังขารทั้งหลายสัญญาทั้งหลายเป็นอนัตตามับไม่ได้เห็นไหมท่านสอนให้ดูสังขารกับสัญญาตัวเจตสิกมันมี3ตัวที่หลวงพ่อบอกแล้วมีตัวเวทนาหรือความรู้สึกสุขทุกข์ นะตัวสัญญาความจำได้หมายรู้ตัวสังขารความปรุงดีปรุงชั่วจุดที่โลภูมั่นหยิบมาให้โลภูดูดนะูมี2ตัวนะคือตัวสังขารกับสัญญาคู่นี้ทํางานอยู่ด้วยกันนะอาศัยสัญญานะเข้าไปหมายผิดๆยกปรุงสังขารที่ผิดขึ้นมานะคําว่าสัญญาเนี่ยเป็นสิ่งที่ครูบาอาจารย์ไม่ค่อยพูดถึงนะไม่ค่อยพูดถึงเป็นเรื่องที่เข้าใจยากนิดนึง งั้นเวลาสอนเนี่ยถ้าจะสอนเวทนานุปัสนานะเวทนานุปัสนาเนี่ยเป็นเรื่องของรู้เวทนานะจิตตานุปัสนาเนี่ยรู้จิตตสังขารไปรู้ตัวสังขารจินมีโทสะจิตไม่มีโทสะอะไรอย่างเงี้ยแต่ตัวสัญญาเนี่ยมันจะไปอยู่ในธรรมานุปัสนานมันจะดูยากหน่อยอยู่ในเรื่องของขันห้าละสัญญาคืออะไรสัญญาคือความจําได้และความหมายรู้ความจําได้มีอะไรบ้างความจําได้มีหกอย่าง จำรูปได้จำเสียงได้จำกลิ่นได้จำรสได้จำสิ่งที่มาสัมผัสร่างกายได้แล้วก็จำเรื่องราวทางใจได้เรียกว่ามีรูปประสัญญาอะไรสัทธสัญญาคันธสัญญาโพธภาสัญญารัทธสัญญาแล้วก็ธรรมสัญญาคือธรมะจำธรรมารมได้ยังมีอีกตัวหนึ่งคือการหมายรู้นะการหมายรู้เนี่ยไม่ใช่แค่จำได้ มายรู้เนี่ยจะมีหมายรู้ถูกกับหมายรู้ผิดนะปุถุชนเนี่ยจะหมายรู้ผิดอยู่เนืองๆนะไม่ค่อยหมายรู้ถูกหรอกหมายรู้ผิดคือหมายรู้ของไม่สวยไม่งามว่าสวยว่างามของไม่เที่ยงหมายรู้ว่าเที่ยงของเป็นทุกข์หมายรู้ว่าเป็นสุขของไม่ใช่ตัวใช่ตนหมายรู้ว่าเป็นตัวเป็นตนจะมีความหมายรู้ที่ผิดอาศัยการหมายรู้ที่ผิดเกิดขึ้นก็เกิดการคิดผิดเมื่อเกิดการคิดผิดก็เกิดความเชื่อผิดผิด อย่างเราหมายรู้ลงมาว่าร่างกายนี้เป็นของสวยของงามร่างกายนี้รู้สึกไม่คงทนไม่เห็นได้เปลี่ยนแปลงเลยร่างกายนี้มีแต่ความสุขนานๆทุกทีหนึ่งหมายรู้อย่างนี้ร่างกายนี้คือตัวเราเราไม่เห็นว่าจริงๆเป็นแค่วัตถุเป็นก้อนธาตุนี่หมายรู้เข้าไปผิดๆม่เกิดการคิดผิดคิดว่าเราอย่างโน้นเราอย่างนี้ร่างกายนี้คือตัวเรา อย่างนั้นอย่างนี้ขึ้นมาแล้วเกิดความเชื่อผิดๆเกิดมิจฉาทิฏฐินะเด็กทิฏฐิวิปลาสนะหมายรู้ผิดๆก็เพี้ยนไปเข้าใจผิดเชื่อผิดๆแต่สัญญาเนี้ยไม่ใช่สิ่งที่พวกเราจะปฏิเสธนะสัญญาที่ถูกเนี้ยมีอยู่สัญญาที่ถูกคือหมายรู้ถูกถ้าเราหมายรู้ถูกอย่างเราเห็นรูปธรรม ท, ทั้งหลายเราหมายรู้ว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ใช่คิดนะถ้าคิดเนี้ยเป็นวิตก เป็นตัวกองสังขารหมายรู้เนี่ยมันคล้ายๆเป็นมุมที่จิตมันไปมองเห็นเข้ามันมองเห็นร่างกายเนี่ยโอ้ยนี่มันก้อนทุกข์นี่ว่านี่มันก้อนธาตุนี่ว่ะนะนเป็นความรู้สึกของจิตนะมันหมายรู้อย่างนี้ถ้าหมายรู้ถูกนะมันก็จะเกิดการคิดที่ถูกแล้วเกิดความเชื่อนะเกิดความเห็นที่ถูกเพราะฉะนั้นเวลาที่เราทำํำมิปัสสนานะอาศัยสัญญานะไม่ใช่ไม่มีสัญญาอาศัยสัญญาแต่เป็นสัญญาที่ถูก เพรานอย่างเรามีสติรู้สึกร่างกายมีสมาธิมีจิตตั้งมั่นเป็นคนดูเราอยู่แค่นี้ปัญญายังไม่เกิดต้องมีสัญญาเข้าไปหมายด้วยว่ารูปธรรมที่สติระลึกรู้นั้นไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานามธรรมที่สติไประลึกรู้เข้าโดยมันแยกออกจากจิตจิมตตั้งมั่นพอมีสมาธิเป็นคนดูอยู่นามธรรมนั้นไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเนี่ยมีสัญญาเข้าไปหมายอาศัยสัญญานะปัญญาถึงจะเกิด นบางท่านท่านบอกว่าสัญญาเนี่ยทำให้ไม่มีปัญญาอันนั้นสัญญาวิปลาสทําให้ไม่มีปัญญาสัญญาที่ผิดแต่สัญญาที่ถูกนั้นจําเป็นบางทีภาวนาแล้วจิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะแยกขันออกมาแล้วเฉยๆอยู่นะดูขันแล้วดูเฉยๆไม่ยอมมองความเป็นไตรลักษณ์เนี่ยครูบาอาจารย์ถึงสอนบอกให้พิจารณาอย่างพิจารณาร่างกายว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอนะไรเป็นการหัด ให้จิตนะรู้จักมองนะให้มีสัญญาในมุมที่ถูกต้องพอเราไปหมายรู้อย่างถูกต้องนะเดี๋ยวก็เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องขึ้นมาเห็นไหมสัญญาเป็นเรื่องเข้าใจยากนะงั้นตอนนี้เว้นไปก่อนเดี๋ยววันหลังก็เข้าใจเองอย่างที่หลวงพ่อบอกนี่แหละจะเข้าใจขึ้นมาทีหลังตอนนี้ดูตัวที่ดูง่ายๆดูตัวง่ายๆตัวเวทนานะรู้จักความสุขในใจไหมเนี่ยความสุขในใจเกิดขึ้นเรารู้ความทุกข์ในใจรู้จักไหม ควมไม่สุขไม่ทุกข์เฉยเฉยนะรู้สึกไหมขณะนี้ใครมีความสุขยกมือสิมีไหมต้องจําไว้ก่อนขณะนี้ใครมีความทุกข์ยกมือสิปวดท้องเหรอ <c oughs> <c oughs> ใครมีความทุกขนะ์ใครเฉยเฉยใครไม่รู้มีไหมไม่รู้ว่าสุขว่าทุกข์หรือเฉยเฉยขณะนี้มีไหมไม่ต้องเกรงใจนะถ้าไม่รู้หลวงพ่อต้องสอนเพ่งเล็งเป็นพิเศษนะ มันจะยากอะไรเห็นไหมใจเราสุขหรือใจเราทุกข์เราก็รู้เนี่ยเราหัดดูไปหรือโลภโกรธหลงรู้จักไหมโกรธเป็นไหมโลภเป็นไหมหลงเป็นไหมฟุ้งซ่านเป็นไหมปดหูเป็นไหมเนี่ยของเหล่านี้มันมีอยู่แล้วนะเป็นของที่ง่ายๆดูของง่ายๆไปไม่ต้องไปดูของยากนักหนาหรอกนะแต่ว่าดูแล้วหัดสังเกตให้ดีว่าเห็นใจรักไหมถ้าถ้าเห็นความโกรธแล้วก็จ้องอยู่ที่ความโกรธนะใจทื่ททอๆอยู่นะ ยังไม่เป็นมิปัสสนานะแต่ถ้ามองไปที่ความโกรธก็เห็นว่าเอ๊ al, เอ ok, ความโกรธไม่ใช่เราหรอกนะไม่ใช่คิดนะเป็นความรู้สึกนะความโกรธไม่ใช่เราหรอกความโกรธมีเหตุก็เกิมดมลเหตุก็ดับบังคับไม่ได้อย่ในนี้จิตถึงเดินปัญญาจริงงั้นรู้ตัวอยู่เฉยๆใช้ไม่ได้นะมู้ตัวเฉยๆใช้ไม่ได้ต้องมองให้เห็นไตรลักษณ์ให้ได้ถ้ามันมองแล้วไม่เห็นไตรลักษณ์ในรูปนามให้คิดพิจารณาก็ได้เป็นการกระตุต้นให้จิตหัดเดินปัญญา แต่ถ้าจิตมองไตรลักษณ์เป็นแล้วอย่าไปคิดมากให้รู้เอานะดูของจริงให้มากการคิดพิจารณาเป็นอุบายสำหรับคนที่จิตติดนิ่งติดเฉยไม่ยอมเดินปัญญาและไม่ยอมหมายรู้รูปนามว่าเป็นไตรลักษณ์นะค่อยๆฝึกไปอตอนนี้ใครมีความสุขยกมือสิเห็นไหมเยอะกว่าตะกี้เห็นหมมันไม่เที่ยงนะใครเป็นทุกข์บ้างยกมือสิมีไหม ตอนนี้ยังทุกข์อยู่หลวงพ่อรู้แล้วล่ะว่าทุกข์อะไรทุกข์จะส่งกันบ้านอันเนี้จะทุกข์ไปเรื่อยๆจนกว่าจะส่งกันบ้านเสร็จนะใครใจลอยบ้างเห็นไหมมันใจลอยได้เองรู้สึกไหมมันใจลอยได้เองทําไมใจลอยใจลอยเพราะมันอยู่อารมณ์นะ ใจลอยมาทีใจลอยไปดูใช่ไมอยากดูรูปใจก็ลอยไปดูอยากฟังเสียงใจก็ลอยไปฟังอยากได้กลิ่นใจก็ลอยไปดมอยากได้รสใจก็ลอยไปรู้รสอยากคิดนึกอะไรนะสนุกสนานในใจก็ล่องลอยไปไปคิดไปนึกเอาใจมันลอยไปเพราะว่าตัณหามันปลักดันอยู่มันมีความอยากอยากได้รูปอยากได้เสียงอยากได้กลิ่นอยากได้รสอยากได้สัมผัส อยากได้ธรรมารมณ์ที่ดีะงั้นตัณหาก็มีหตัวนะมีตัณหาในรูปอยากได้รูปเรียกรูปประตัณหาตัณหาในเสียงสัทธะตัณหาตัณหาในกลิ่นคันธะตัณหาตัณหาในสัมผัสทางกายเรียกโผฏฐะตัณหาตัณหาในรสเรียกละสะตัณหาตัณหาอยากได้อารมณ์ทางใจเรียกว่าธรรมะตัณหาคือธรรมอารมณ์นั่นเอง ใจมันมีตัญหานะพอมีตัญหาแล้วใจมันหิวใจมันหิวเนี่ยใจมันจะดิ้นรนเที่ยวแสวงหาไปออกไปดูรูปมันอยากดูรูปมันก็ไปดูรูปพอดูรูปแล้วอะไรเกิดขึ้นดูรูปแล้วเกิดความพอใจบ้างไม่พอใจบ้างเจอรูปที่ถูกใจก็มีความสุขเจอรูปที่ไม่ถูกใจก็มีความทุกข์ขึ้นมาพอมีความสุขก็ติดอกติดใจอยากได้รูปนั้นมาอยู่นาน อยากให้มันอยู่อยากมันไม่มีก็อยากให้มันมีพอมันมีแล้วก็อยากให้อยู่นานๆตรงไม่มีอยากให้มีนะเรียกว่ากรรมตัณหาตรงที่มีแล้วอยากอยู่นานๆนะเรียกว่าภาวะตัณหาพอไปรู้รูปแล้วไม่ไม่ชอบใจอยากให้หายไปนะเป็นวิภาวะตัณหาแม้มันมีตัณหาซ้อนตัณหาเยอ้อยๆไปหมดเลยนะมีความอยากในรูปเนี่ยพอไปกระทบรูปแล้วพอใจบ้างไม่พอใจบ้างเกิดตัณหาะเอียละเียดออกไปอีก เกิดอยากได้อยากมีอยากเป็นอยากให้มันหายไปเกิดอยากซ้อนอยากครับอีกทีแรกอยากัอยากดูรูปพอไปดูแล้วก็อยากได้นะอยากให้อยู่นานๆอยากให้หายไปเดเหมือนกันนะรูปเสียงกีรติรถบุพระเนี่ยใจที่อยากนะใจจะหิวใจจะดิ้นโรนใจจะไม่มีความสงบสุขแต่เราจะไปห้ามใจไม่ให้อยากแล้วห้ามไม่ได้ใจมันอยากได้เอง เราต้องค่อยๆหัดดูความจริงของรูปธรรมนามธรรมไปถ้าเมื่อไรจิตมีปัญญาขึ้นมารูปธรรมทั้งหลายมีแต่ของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานามธรรมทั้งหลายมีแต่ของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาความอยากมันจะไม่เกิดขึ้นเพราะมันรู้ว่ารูปเสียงกรีดร้โผฏฐาพัสทั้งหลายนี้เป็นรูปธรรมนะก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาร่างกายที่ไปรู้รูปคือตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่มีสาระแก่นสาร จิตใจที่เป็นคนรู้นำมาทำทั้งหลายนะหรือรู้รูปธรรมบางอย่างเนะี่ยรูปบางอย่างก็ ร, รู้ด้วยใจนะอย่างลองหลับตาซิลองหลับตาแล้วยิ้มซิรู้สึกไหมมันยิ้มร่างกายมันยิ้มไหมรูปที่เคลื่อนไหวรู้ด้วยใจนะไม่ได้รู้ด้วยตาเราไม่ต้องเอาตาไปมองปากตัวเองยิ้มดูไม่ได้อนะเนี่รูปบางอย่างรู้ด้วยใจนะไม่ใช่รู้ด้วยตาด้วยหูอย่างเดียวนะเนี่ยใจไปรู้นะ ไม่รู้มันินดีพอใจว่ติดอกติดใจมัเราก็รู้ทันเนะี่ยใจมันจะดินดน้นรนทํางานอยู่ทางทาวารท่างหกนี่แหละตาหูจมูกลิ้นกายใ จ, ใจใกระทบอารมณ์เข้าไปนะที่มันกระทบเข้าใจบางทีก็กระทบโดยไม่ได้เจตนานะมันกระทบของมันเองมันมีตามันมีรูปมันมีแสงสว่างจนะิตเกิดขึ้นทางตาพอดีไม่ได้เจตนาก็เห็นบางทีมันอยากดูรูปก่อนมีความอยากเกิดขึ้นก่อน และจงใจไปดูอย่างเวลาเราขับรถไปแล้วรถติดนะเห็นรถชนกั น, นอันเนี้ยเราเห็นเองหรือว่าใจอยากดูล่ะใช่ไหมเนี่ยเห็นช้งเง้อคอยาวเป็นเปลือเป็นตามๆกันนะยืดยืดยื ด, ย ด, ดูไม่ได้ดูถนนเท่าไหร่แล้วคราวเนี้ยรถต้องเลยต้องชะลอใช่ไหมเพราะฉั้นรถชนกันคันเดียวนี้ติดทั้งสองฝั่งเลยเพราะว่าอะไรใจมันอยากดูมช้งเงช้งเง ถ้เราค่อยรู้ทันนะใจที่มีความอยากมันจะมีความหิวโหยมีความสิ้นรนนะคอยรู้เท่าทันไปในการดูจิตดูใจไม่ใช่เรื่องลึกลับเลยมันของที่มีอยู่จริงๆนี่เองมันสุขมันทุกข์มันดีมันร้ายนะหรือมันทํางานมันปรุงแต่งเรารู้ทันดูสภาวะตรงๆก็ได้นะเช่นมันสุขก็รู้มันทุกข์ก็รู้เรารู้ว่ามันสุขมันทุกข์นะนี่เป็นอยู่ในกลุ่มที่เรียกว่าเวทนานุปัสนา รู้ว่ามันดีมันชั่วมันโลภมันโกรธมันหลงอยู่ในจิตตานุปัสสนาถ้ารู้กระบวนการที่มันทํางานเช่นมันอยากดูมันออกไปดูดูแล้วใจมันดิ้นโลนปรุงแต่งเนี่ยเป็นเรื่องทางใจอันนี้อยู่ในธรรมานุปัสสนานะงั้นที่พวกเราทำเนี่ยมันก็ทําธรรมานุปัสสนามเหมือนกันเห็นกระบวนการทํางานของจิตใจอยู่อย่างกิเลสนิวรจะเกิดยังไงเนี่ยเราก็ดูไปจะรู้ว่านิวรแต่ละตัวก็มีเหตุนะ หรือว่าโพชทธชงเกิดยังไงเนี่ยค่อยๆหัดรู้หัดดูไปหรืออริยสัจนะเรื่องปฏิจจสมุปบาทอย่าการที่เราเห็นน่ยใจมันออกไปกระทบอารมณ์นะกระทบอารมณ์แล้วเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดกิเลสเกิดตัญหาเกิดความยึดถือเกิดการดิ้นรนทางใจเกิดความหยิบฉวยตาหูจมูกลิ้นกายใจขึ้นมาเกิดทุกข์ขึ้นมาอันนี้อยู่ในเรื่องของอริยสัจเรื่องปฏิจจสมุปบาทอยู่ในธรรมานุปัสสนา พวกเราคนไหนเคยเห็นจิตมันทํางานเป็นสเต็ปสเต็สเตปเคยเห็นไหม mm hmm. นั่นแหละนะเราขยบอยู่ในธรรมานุปัสสนานะงั้นเวลาปฏิบัติจริงเนี่ยไม่ต้องกลัวหรอกถึงไงวันหนึ่งมันขึ้นมาธรรมานุปัสสนาจนได้แค่หัดรู้มีสุขก็รู้มีทุกข์ก็รู้นะเฉยๆก็รู้เป็นกุศลก็รู้ โ, รโลภกรธหลงก็รู้ค่อยๆหัดรู้หัดดูไปจนกระทั่งถึงวันหนึ่งนะจิตเนี้ยมันปัญญาแก่กล้าขึ้นมาพรอปัญญาแก่กล้าเนี่ย อริยามรรคก็จะเกิดขึ้นนะค่อยๆสะสมสะสมไปทุกวันไม่มีใครสั่งให้เกิดอริยามรรคได้นะนี่พวกเราเป็นฆราวาสหัดดูจิต ด, ดูใจตัวเองไปแต่เบื้องต้นถือศีลห้าไว้เท่านั้นแหละมีศีลห้าไว้ทุกวันแบ่งเวลาทําในรูปแบบเพื่อให้จิตได้พักผ่อนให้มีเรี่ยวมีแรงบ้างวันหนึ่งสักสิบหนาที20นาทีไม่เอามากหรอกถ้าสิห้านาทีก็ยังทําไม่ไหวนะซอยเป็นช่วงๆเลยเอาชั่วงโมงละหนาทีก็ได้ นะกลางคืนสิบห้านาทีไม่อยากทําล้วางวันชั่วโมงละห้านาทีอันไหนเยอะกว่ากันชั่วโมงละห้านาทีนะสิบสองชั่วโมงได้หนึ่งชั่วโมงแล้วนะอย่าดูถูกนะนึกว่าเล็กๆน้อยๆที่แท้ทําทได้เยอะเลยจะค่อยๆเก็บเก็บเก็บไปถ้ากลางวันเราไปเก็บช่วงเล็กๆหน้าปฏิบัตินะหายใจไปหรือขยับไปแล้วสึกไปอะไเนี่ยนะในรูปแบบรูปแบบของเราอาจจะไม่ต้องให้คนอื่นรู้ก็ได้นะ ยังไม่ต้องไปเดินจกกลมให้เขาดูหรอกนะแล้วแค่แอบขยับยิ้มเนี่ยแล้วรู้สึกไปแอบท่องพุโทโธพุโทโธในใจแล้วรู้สึกไปแค่นี้ก็อย่างได้คนอื่นไม่รู้ว่าเราปฏิบัติอ่ะนะถ้ามันรู้แล้วมันมักจะค่อนแคะเราค้อนขอด น, นะเวลาเราโกรธขึ้นมามันจะมาว่าเราไอ้พ่อหน้ า, ย, ายังไงยังโกรธอยู่ถ้ามาว่าหลวงพ่อผมบอกเราต้องเฉียงนอะฉันยังไม่ใช่พระนาคานะยังโกรธได้อยู่อาจจะศีลขาดเตะปากแกด้วยนะ เลยถูกมันเตะซะก่อนนเนี่ยทาไปนะแล้วเวลาที่เหลือเนี่ยในชีวิตประจําวันทําไปกรรมาฐานที่เหมาะในชีวิตประจำวันเนี่ยก็คือการดูจิตใจของเราเนีเองะทําไมคนในเมือง เ, งเมองกับการดูจิตเพราะว่าเรากระทบอารมณ์ทั้งวัดอารมณ์ของเรานี้เปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะเแราวพออารมณ์มันเปลี่ยนแปลงเนี่ยใจมันก็เปลี่ยนแปลงมันเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดดีเกิดชั่วขึ้นมานะ เสื้้าดีชั่วนี้หมุนติ้วๆิ้ติ้วติ้ตตตตตบางคนไม่ขี้โมโหกระทบอารมณ์ทีไรโกรธทุกทีเลยหงุดหงิดหงุดหงิดหงุดหงิดตลอดเวลาใครมีความหงุดหงิดเป็นปกติบ้างยกมือซิมีไหมรู้ไหมว่าแต่ก่อนก่อนมาจากไหนอย่า ก, กลับบ้านเดิมนะ <c oughs> นะพโทสะนะมาจากข้างล่างนะใครชอบถือศีลแต่เด็กบ้างมีไหม ครับถือศีลไม่อยากทําผิดศีลเลยมีไหมมีเหมือนกันเหรอโอมาจากข้างบนน้อยเนาะมาจากข้างล่างเยอะอย่า ก, กลับไปที่เก่านเะนามคา่อยๆฝึกค่อยๆฝึกไปไม่ใช่เรื่องยากตาหูจมูกลิ้นกยายจะกระทบอารมณ์ไปนะเกิดกุศลให้รู้ทันเกิดอกุศลให้รู้ทันนะรู้แล้วก็เห็นความเป็นไตรลักษณ์ของมันหมายรู้ถูก นะความโลบเกิดขึ้นแล้วเราก็เห็นเอามันเกิดได้เองนะเราบังคับมันไม่ได้อยู่ช่วคราวแล้วก็หายไปอย่างความโกรธเกิดขึ้นเมื่อทีเราดูแล้วเรารู้สึกว่าความโกรธเที่ยงเคยรู้สึกไหมดูไปไม่เห็นหายโกรธเลยนะสังเกตให้ดีความโกรธไม่เที่ยงดีกรีของความโกรธเนี่ยไม่คงที่นะเดี๋ยวโกรธแรงเดี๋ยวโกรธเบาเดี๋ยวหายไปหน่อยหนึ่งคิดใหม่โกรธใหม่นะมันขึ้นวิถีโกรธใหม่ซ้ํำอีกนะ ให้หัดรู้หัดดูไปที่เราว่าแหมเราโกรธตั้งชั่วโมงยังไม่หายไม่จริงหรอกความโกรธเนี่ยขึ้นขน ล, งลงลงตลอดเวลาไปหัดดูเอานะมีแต่ของไม่เที่ยงมีแต่ของบังคับไม่ได้ให้ดูของจริงเอานะพวกเราอยู่ในบ้านในเมืองนะเราเป็นคนในเมืองตาหูจมูกลิ้นกาใจเนี่ยทำงานหนักตาเห็นรูปสารพัดเลยใช่ไหมอย่างหลวงพอ่อนั่งรถมาเทศที่เนี่ยเห็นคัดเอาโฆษณาเนยเยอะแ ย, ยะไปหมดเลยนะด้วแต่ของย่อจิเลตเท่านั้นเลย ไม่เห็นมีให้ดูเลยว่าจงมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตตั้งมั่นเป็นกลังไม่มีอป้าอย่างนี้ไม่มีนะมีแต่ให้ชวนให้ซื้อโน่นชวนให้ซื้อนี่ดาราคนนี้ใช้อันโ น, น้นนะคนนี้ใช้อันนี้ไปเที่ยวที่โ น, น้นไปกินอันนี้ไปนั่งเรือบินยี่ห้อ น, นีนะ้ใช้มือถืออย่างนี้อนะไรเงี้ยมีแต่เรื่องอย่างเนี้ยใจเราเนี่ยถูกเรานะเราด้วยรูปเราด้วยเสียงนังเปิดทีวีเปิดวิทยุฟังนะ ถูกเล่าด้วยเสียงเราให้เกิดอารมณ์เวลาฟังเพลงแล้วเกิดอารมณ์ไหมใครชอบฟังเพลงบ้างยกมือเสีเป็นฆราวาสไม่ห้ามนะเป็นพระไม่ได้เพลงฆราวาสฟังเพลงได้แต่อย่าฟังเปล่าๆฟังแล้วสังเกตใจไปด้วยนะใจมันชอบหรือว่าชอบใจไม่ชอบรู้ว่าไม่ชอบะเนี่ยค่อยรู้ค่อยดูของเราไปอย่าให้เสียเวลาเปล่าๆเราได้เปรียบ คนรุ่นก่อนนะรุ่นครูบาอาจารย์เนี่ยท่านดูไกลกันท่านทําสมาธิดูไกลท่านชาวไร่าชาวนานะวันวันนึงเนี่ยท่านไม่ค่อยมีผัสสะอะไรที่แปลกใหม่อยู่ในท้องนานะมันก็เหมือนกันทุกวันอะนะแต่ว่าคนละฤดูก็แตกต่างกันบ้างถ้าฤดูฝนลงใหม่ใหม่ก็เขียวๆหน่อยถ้าฤดูแรงก็แห้งฝุ่นตลบไปเลยนะถ้าฤดูน้ํามาก็ไม่เหลืออะไรมีแต่น้ำเนี่ยแต่ละฤดูก็ไม่อยู่แค่นี้แหละนะไม่ค่อยมีอะไรแปลกใหม่ งั้นถ้าจะไปให้ท่านดูจิตนะมันก็จะเฉยเฉยเฉยเฉยไม่ค่อยมีอะไรให้ดูนะท่านเลยเหมาะกัการดูกายนะนั่งสมาธิไปสงบเนี่ยไม่มีอะไรจะทำว่างๆนั่งสมาธิไปออกจากสมาธิมามาดูกายนั่นก็เหมาะนะแต่เหมาะแต่กับคนในเมืองเนะี่ยที่หลวงปู่ดูลบอกนะคนในเมืองนะเนี่ยหมาะกับการดูจิตนะเพราะผัสสะนี่รุนแรงนี่พอมีผัสสะใช่เกิดสุขเกิดทุกข์ เกิดกุศลเกิดอกุศลเราคอยรู้เราก็จะเห็นว่าจิตที่สุขก็ชั่วคราวจิตที่ทุกข์ก็ชั่วคราวจิตที่เป็นกุศลก็ชั่วคราวจิตโรคกลดลงก็ชั่วคร้าวนะแล้วก็บังคับไม่ได้สั่งไม่ได้เนี่ยเจริญปัญญานะค่อยๆฝึกของเราทุกวันทุกวันนะวันใดที่ใจมันเข้าถึงธรรมแท้ๆแล้วนะจะค่อยมีความเต็มมีความอิ่มมากขึ้นมากขึ้นพวกเรากลัวตาย เพราะเราไม่มั่นใจในตัวเองว่าตายแล้วจะเป็นยังไงนะเราไม่มั่นใจแต่พอเราภานาไปถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันเกิดความมั่นใจขึ้นมามันไม่กลัวเราตายนะเป็นเรื่องปกตินะถึงเวลาทรมานมากๆนะอยากตายเร็วๆด้วยซ้ำไปไม่ได้อยากให้หมอมาเฉือนเราทีละหน่อยๆเคยเห็นไหมเคยไปเข้าโรงพยาบาลไหมเห็นหมอเข้ามารักษาคนนะเราย่างนึกเลยให้เราอยู่อย่างนี้นะให้เราตายซะดีกว่า จับเราเฉือนเป็นชิ้นๆชิ้นๆ น, น, นะเฉือนจนทั่วตัวแล้วก็ตายเหมือนในนักแสดงที่เพิ่งตายไปเนะถ้าเป็นคนธรรมดาตายเป็นนานแนะนี่เขพยายามรักษานะ้หมดเงินหมดทองเยอะแยะเลยแเราตายใช้เวลาเนิ่นนานเนะนี่เราจะไม่กลัวตายนะเพราะว่าเรามีความมั่นใจในตัวเองแล้วค่อยๆฝึกไปนะใจที่เคยหิวเนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็นใจที่อิ่มเป็นใจที่อิ่มใจที่เต็มเป็นลําดับลําดับไป อย่างพอเราพาวนานะเราเห็นความจริงเบื้องต้นเราเห็นความจริงว่าตัวเราไม่มีเราเกิดความเชื่อมั่นนะว่าถึงตายไปเราก็ไปสุคติพวกนี้ไม่ค่อยกลัวตายแล้วนะในระดับพระโสดาบันไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่ละกลัวนิดนิดหน่อยหน่อยนะพราสักขคาขากลัวนิดนิดหน่อยหน่อยระดับพระอนาคาเมีเห็นความจริงว่ากายคือตัวทุกขนะ์แล้วท่านมีความมั่นใจแล้วท่านจะไปสู่ที่ที่ดีกว่านี้นะที่ที่มีความสุขมีความสงบทางจิตใจ งื่นความหิวในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสเนี่ยไม่มีกับผ้าหนาคาแต่หิวข้าวมีนะหิวข้าวเป็นความหิวทางร่างกายนะแต่ว่าความหิวของใจที่อยากได้รูปได้เสียงได้กลิ่นได้รสได้สัมผัสเพื่อจะมาเสพให้มันสะใจอะไรเนี่ยไม่มีนะเพราะว่ามันรู้ความจริงแล้วว่ารูปทั้งหลายเนี่ยกายทั้งหลายนี่เป็นตัวทุกข์นะนนความหลงในรูปไม่มีแต่ว่าใจเนี่ยนะ ที่มันไม่หลงในกามไม่หลงในรูปเสียงกลิ่นรสโภชพะแล้วนะใจมันไม่หลงในกามเนี่ยมันมีความอิ่มมันมีความเต็มมากกว่าคนที่หลงอยู่ในกามนะมันจะมีความอิ่มยังไงมันอิโมอิ่มใจภาษาไทยมีอยู่คํานึงนะคำว่าอิโมอิ่มใจคําว่าอิ่มใจเนี่ยใครเคยรู้สึกคําว่าอิ่มใจบ้างมีไหมอิ่มใจในทางโลกเนี่ยเช่นเราทําอะไรได้อย่างใจต้องการนะนะยากๆเลยทําสําเร็จแล้วม่อิโม่อิ่มใจนะ อันนี้อย่างทางโลกๆนะถ้าเราพอนาไปนะจนรู้ความจริงเราปล่อยวางกายไปแล้วเราอยู่กับความสุขอยู่กับฌานสมาบัตินะมันอิ่มอิ่มอีกแบบหนึง่งไม่ใช่อิ่มในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสอะไรละมันอิ่มอยู่ในตัวของมันเองมีความสุขมีความอบอุ่นใจมีความสบายใจนะแต่อิ่มตัวนี้นะใจเนี่ยยังผูกพันอยู่กับรสชาติของความสุขความสงบอยู่นะยังไม่อิสระที่แท้จริง ถ้าภาวนาไปจนถึงจุดที่จิตปล่อยวางจิตได้แล้วเนี่ยความอิ่มใจอีกแบบหนึ่งจะเกิดขึ้นนะมันอิ่มใจแต่ว่ามันไม่ติดในรถของความอิ่มใจนะของเราถ้าภาวนาไปเราจะอิ่มใจแต่เราจะติดในรถของความอิ่มขอกอิ่มใจนะภาษาไทยนี่มันสุดยอดจริงนะอิ่มใจนะให้แปลเป็นภาษาฝรั่งอย่าแปลว่าอะไรใจก็หมายอิ่มอะไรอิ่มไปเราฟังไม่รู้เรื่องเลยแปลเราฟังไม่ออก นะภาษาไทยเราเนี่ยประณีดมากเลยนะในเรื่องเกี่ยวกับสภาวะทางใจเพราะฉนั้นเป็นภาษาที่เหมาะกับการถ่ายทอดธรรมะมากเลยแต่ข้อเสียคือเป็นภาษาที่ยังไม่ตายนะยังดิ้นดิ้นไปดิ้นมายังเปลี่ยนความหมายได้เรื่อยๆนะไม่เหมือนภาษาบาลีตายแล้วนะความหมายมันไม่เปลี่ยนมันคงที่อยู่แต่ภาษาไทยเนี่ยประณีดในเรื่องความรู้สึกทางใจมากเราภาวนานะจนกระทั่งใจไม่หิวคือไม่มีตัณหา ไม่มีการมตัญหาไม่มีการมตัญหาคือไม่ได้อยากได้ในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสพระอนาคาเนละกามตัญหาแต่ตัญหาละเอียดยังมีอยู่ยังอิ่มอกหิมใจในรูปประทัญหาพอใจในรูปประชานยังอิ่มอกหิมใจในอรูปประทัญหาด้วยอํานาจอรูปหิ่มใจในอรูปด้วยอํานาจของตัญหาคืออรูปประทัญหาใจมันจะคอยหิวอยู่ มันพอพอใจนะแต่ว่าพอพานาถึงฉีดสุดเนี่ยมันอิ่มอยู่ในตัวเองแต่ว่ามันไม่ติดมันไม่ติดในรถนะในรถของความอิ่ม อ, มอิมใจนั้นนะของเราทุกวันนี้ถ้าอิ่มเอิมใจขึ้นมาเมื่อไรเราจะติดในรถของความอิ่มเ อ, มอิมใจดูออกไหมนี่นี่การมาตัณหาเท่านั้นนะยังไม่เจอไม่เจอตัณหาที่สูงขึ้นไปอีก ความที่มันพอใจหิ่มโมหิมใจอยากได้เขาเคลียร์อยู่ค่อยๆฝึกนะเป็นวันหนึ่งเนี่ยมันอิ่มใจโดยที่มันไม่ติดในรถของความหิ่มโมหิมใจมันเป็นอิสระถ้าเรายังติดอยู่ในสิ่งใดเราจะไม่อิสระสิ่งนั้นยังจะเป็นเจ้านายเราเราจะต้องรักษามันต้องห่วงแหนมันต้องดูแลมันค่อยปลนนิบัติมันให้มันมีอยู่นะถ้าไม่ดูแลมันให้ดีเดี๋ยวมันหายเสียดาย ค่อยๆฝึกนะงานในทางธรรมเนี่ยมีที่สิ้นสุดแล้วสิ้นสุดเมื่อไรเนีเราจะเข้าถึงความอิ่มความเต็มใจนี้มันเต็มมันอิ่มจริงๆนะมันมีความสุขมันมีความสมบูรณ์อยู่ในตัวเองใจที่กับพร่องกับแสก็เนีมันจะหิวนะหิวในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสหิวในรูปประชานหิวในอรูปประชานม่ยังหิวอีกทั้งสิ้นเลยนะดังนั้นเวลาได้มานะได้กรรมที่ต้องการมานะก็อิ่มใจในกรรม ได้รูปที่พอใจรูปประชานที่พอใจมาก็อิ่มใจในรูปประชานได้อารูปประชานที่พอใจมาก็อิ่มใจในอารูปประชานนะได้อะไรมาก็อิ่มไปหมดนะนะถ้าเสียไปก็หิวอีกใช่อยากได้อีกแต่ถ้าเข้าถึงธรรมสุดท้ายแล้วนะใจนี้มีความอิ่มมีความเต็มนะไม่มีความหิวอีกนะเพราะว่ามันไม่ได้ผัวพันตัวเองอยู่ในสิ่งซึ่งแปรปรวน อะไรบ้างที่เป็นของที่ยังแปรปรวนอยู่พบทั้งหลายนี่พบทั้งสามนี่ยเป็นของแปรปรวนกนะามาพบ อ, อย่างที่พวกเราอยู่ที่สัตว์ในราจฉานอยู่ที่เทวดาอยู่รูปประพบพบที่พรหมมีรูปอยู่อรูปประพบพบที่พรหมไม่มีรูปอยู่นะนี่จิตจะไม่เข้าไปติดในพบทั้งสามนี้นะก็สิ้นพบตรงนั้นเองนะอยู่ที่อาศัยการฝึกไปนะพวกเราดูจิตดูใจของตัวเองถือศีลห้า ปฏิญาณกับตัวเองว่าจะตั้งใจตือศีลนหนะ้าศีลห้าข้อสำคัญนะถ้าศีลไม่มีสมาธิจะเสื่อมสมาธิเสื่อมภาวนาไม่ขึ้นดันะั้นตั้งอกตั้งใจรักษาศีลแล้วก็ฝึกจิตใจให้มีสมาธิตือศีลอย่างเดียวมันเกื้อกูลให้มีสมาธิแต่ก็ต้องฝึกให้สมาธิมันเกิดมันจะได้ชำนีชำนานนะทุกวันก็หัดไปนะไหว้พระสวดมนต์ไปนี่จิตก็ได้สมาธิแล้ว คิดถึงฐานที่เราได้ทําแล้วคิดถึงศีลที่เรารักษาไว้ดีแล้วมันก็อิมโวอิมใจนะได้สมาธิขึ้นมาอีกค่อยๆฝึกค่อยๆฝึกไปพุทโธก็ได้หายใจก็ได้ทําไปจะเข้าฌานได้ไม่เข้าฌานไม่สําคัญแต่ว่าฝึกฝึกสงบก็ช่างไม่สงบก็ช่างฝึกทุกวันทุกวันเดี๋ยวมันจะค่อยๆสงบของมันเองแต่ถ้าอยากสงบเนี่ยมันไม่จะไม่สงบเลยค่อยๆฝึกไป ฝึกนะกรรมาฐานที่สบายๆที่เหมาะกับพวกเรารู้รทันความเปลี่ยนแปลงของใจนะใจจะเปลี่ยนเมื่อตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ใจกระทบอารมณ์คือใจมันคิดนี่เองกระทบไปแล้วก็เราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงไปมีเห็นว่าจิตที่สุขเกิดแล้วดับจิตที่ทุกข์เกิดแล้วดับจิตที่ดีที่ชั่วเกิดแล้วดับนะเราไม่ได้ดูตัวจิตตรงๆนะบางคนบอกดูจิตคือไปจ้องอยู่ที่จิตจิตก็ว่างๆเนี่ยว่า ง, า ง, น, างนี่แหละสุญญตาไม่ใช่ สุญาตาไม่กระจอกอย่างนั้นนะเแล้วสุญญตาว่างๆอย่า ง, างนั้นจะไปได้เรื่องอะไรนะใจที่ไม่เข้าถึงความอิ่มความเต็มมันไม่หิวมันสัมผัสสุญญตาตัวจริงนะมันมีความบรมบำสุขอยู่ในนั้นนะมันอิ่มมันเต็มนั่นเองคนละ้ายๆฝึกนะไม่ยากอะไรหรอกทุกวันนี้ที่เราพากันเดินมานะต่อแตะต่อแตะมาตั้งแต่ไม่รู้เรื่องรู้ราวจนมาถึงวันนี้พวกเราเปลี่ยนไปอย่างมหาศาล เรารู้สึกไหมเพราเราเปลี่ยนแปลงนะอาศัยธรรมะของพุทธเจ้านะเราค่อยๆฝึกตัวของเราเนี่ยเราจะรักษาศาสนาพุทธเอาไว้ได้นะศา ส, สนาพุทธไม่ได้อิงอยู่กับตัวบุคคลนะไม่ใช่ว่ามีพระไม่ดีมากๆแล้วศาสนาพุทธจะเสื่อมไม่ใช่นะเพราะเราภาวนาเราจะรู้ว่าศาสนาพุทธจริงๆอยู่ที่ใจเรานี่เองเสื่อมไม่เสื่อมอยู่ที่นี่เองนะถ้าใจเราเข้าใจความจริงที่ พ, พุทธเจ้าสอน ใจเราเห็นคุณค่าเห็นประโยชน์นะเราก็เกิดศรัทธานแน่นแฟนนะใครจะด่าพระนั่นะมันเรื่องของคนนะเรื่องของบุคคลถูกดา่านะเป็นเรื่องธรรมดาบุคคลยังมีกิเลส ถ, ถูกดีบ้างชั่วบ้างไปตามเรื่องหมนะเราเองก็มีกิเลสเราก็ดูของเราไปค่อยๆสะสางของเราไปนะแล้วเราจะรักพระพุทธเจ้าเราจะไม่คลอนแคลนกับข่าวทั้งหลายนะข่าวทั้งหลายเป็นเรื่องของตัวบุคคลไม่ใช่เรื่องาศาสนานะ ในเรื่องของบุคคลเพียงแต่บุคคลนั้นดูเหมือนเล็บซิเซนศาสนาเท่านั้นเองนะอย่างพวกพระไม่ดีพระทําอย่างโน้นพระทําอย่าง น, น, างนี้นี่ได้ข่าวว่าพระดูอะไรนะหนังโป๊เนี่ยพระไปดูวีดีโอโป๊พระบอกว่าเพื่อจะมาฝึกดูจิตตัวเองไอ้นี่เอามาอ้างนะดูจิตอย่างนี้นะหลวงพ่อเคยดูตอนเป็นโยมจนเป็นพระที่ดูไม่ได้แล้วน ะ, อะเอคนละเรื่องกันตอนเป็นโยมเราภาวนา จนเราคิดว่าเป็นพระอนาคาคาหรือเปล่าไหมพอนาถึงอย่างนั้นแล้วนะเราก็มาสังเกตเลไปยืมหนังสือโป้เพื่อนมาดูนะดูว่าจิตมันจะไหวหรือเปล่าเนี่ยเอาเหตุผลที่หลวงพ่ออธิบายไว้นะี่ไปอ้างนะเนี่ยพระนั่งดูวีดีโอโปบอกจะดูจิตไม่ได้ดูจิตหรอกดูไม่เป็นหรอกนะเนะพราเราหัดดูไปนะแล้วเราจะรู้ว่าธรรมะเสื่อมไม่เสื่อมอยู่ที่เราเองนะอยู่ที่ตัวเรานี่เอง พวกเราขณะนี้เรารู้สึกไหมว่าวันเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเรารู้จักพระพุทธเจ้ามากขึ้นรู้จักพระศาสนามากขึ้นรู้สึกไหมเพราะเรารู้จักตัวเองนะเราเรียนรู้ตัวเองเราจะรู้จักพระพุทธเจ้ารู้จักพระธรรมรู้จักพระสงฆ์นะถึงวันหนึ่งเนี่ยเราจะเป็นพระสงฆ์ขึ้นมาถ้าเราเป็นพระสงฆ์สมบูรณ์เต็มแบบนะเต็มที่แล้วเนี่ยเราจะมีความบริสุทธิ์ความบริสุทธิ์อันนี้เป็นความบริสุทธิ์อันเดียวกับพระพุทธเจ้าเป็นความบริสุทธิ์อันเดียวกับพระธรรม ความบริสุทธิ์อันเดียวกับพระอรหันต์ทั้งหลายจะรู้สึกรวมกันเป็นหนึ่งนะพระพุทธรรมพระสงฆ์รวมกันเป็นหนึ่งด้วยความบริสุทธิ์อันเดียวกันนั่นเองนะแต่แยกหน้าที่กันแยกหน้าที่กันผู้เจ้าเจ้าทําหน้าที่ของพู้เจ้าเจ้าพระธรรมทำหน้าที่ของพระธรรมพระสงฆ์ทําหน้าที่ของพระสงฆ์แต่มันเป็นความบริสุทธิ์ที่อันเดียวกันพวกเราก็เข้าใกล้ไปตามลําดับชีวิตนี้ไม่ขาดทุนแล้ว ชีวิตที่พวกเราภาวนามาถึงตรงนี้ถือว่าไม่กัดทุนเราเกิดมาแบบไร้เดียงสาไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยดีชั่วอะไรไม่รู้เท่าไหร่นะจนมาถึงวันนี้ที่จิตของเราเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจิตของเราแยกธาตุแยกขันได้จิตของเราเดินวิปัสสนาได้เรารู้ว่าเส้นทางแห่งความบริสุทธิ์หลุดพ้นอยู่ที่ไหนเนะี่ยไม่ธรรมดานะงั้นชาตินี้ไม่เสียชาติเกิดแล้วละ่ะในวัฏฏะอันยาวไกลล้มลุกคลุกคลานมาตลอด ชาตินี้ได้กำไรแล้วนะงั้นมีแต่ว่าเราจะต่อยอดให้ได้มากสักแค่ไหนค่อยๆฝึกไปนะเอาลักพอสมควรแก่เวลากลาบสมมสการหลวงพ่อครับผมเพิ่งมีโอกาสได้มาฟังหลวงพ่อที่สถานที่จริงครั้งแรกนะครับโดยปกติก็ได้ซีดีหลวงพ่อมาฟังก็สองสามปีที่แล้วนะครับแต่ ก็ห่างๆไปก็ช่วงนี้กลับมาดูพวก YouTube อะไรเงี้ยของพ่อก็เลยเริ่มอคอยมีสติตามรู้ตามดู อ, อารมณ์ตามดูลมหายใจนะครับปกติแต่ส่วนใหญ่ก็เผลอเผลอสัก ส, ส่วนเพราะว่าจะมาจะมารูจริงๆก็เจออารมณ์แรงๆหรืออะไรอย่างเี้ห<ๆ>เยหนใหม่ๆห<บ>ใหม่ๆมรู้แต่อารมณ์แรงๆนะ แต่หัดรู้บ่อยๆอารมณ์กลางๆเราก็รู้นะรู้ไปเรื่อยๆต่อไปอารมณ์ละเอียดก็รู้นะค่อยๆฝึกไปทีแรกต้องโกรธแรงๆถึงจะรู้ต่อไปขัดใจเล็กๆก็เห็นละค่อยๆหัดดูไปสีนห้าดีรหรื อ, อยังก็พยายามและต้องพยายามนะค่อยๆพัฒนาไปตัวนี้นเป็นพื้นฐานสำคัญก็เลยอยากเรียนกราบขออาจารย์บ้านหลวงพ่อว่ารู้สึกหรือเปล่าว่ากายกับใจมันคนละส่วนกันดูออกไหม ยังไม่ค่อยชัดนะครับเหมือนกันแล้รู้สึกไหมว่าความรู้สึกกระใจเป็นโคขร่านกันโกรธกระใจโคลร่านนะครับอย่างนั้นก็เรียกว่าเราแยกขันเป็นเหมือนกันนะดดูไปมันแยกได้แล้วก็ดูมันไปครับนะครับขอบคุณหลวงพ่อครับกับนิมัสการหลวงพ่อค่ะก็ส่งการบ้านครั้งสุดท้ายเนี่ยก็คือว่าหลงไปดูข้างในค่ะแล้วก็แทรกแซงเหมือนดึงอะค่ะแล้วก็ แต่ตอนนี้ก็พยายามตั้งใจว่าจะแบบปฏิบัติ เ, เดินจงกรมให้ได้ทุกวันอนะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ได้แบบเกือบบางวันศีลก็รักษาได้ดีขึ้นบ้างอะคะ่ะแล้วก็แต่ก็ยังรู้สึกว่าตัวเองยังไม่ค่อยพัฒนาเท่าไหร่อะคะ่ะก็เลยไม่แน่ใจว่าเรายังมีจุดบกพร่องตรงไหนอยู่อะคะ่ะมีจุดบกพร่องสําคัญมากเลยนะคือดีแล้วไม่รู้ว่าดีนะเห็นไหมว่าขันเราแยกได้ นะตัวนี้ตัวใหญ่นะตัวสำคัญก็ยแยกได้เราจเห็นสภาวะธรรมรูปธรรมนามธรรมไม่ใช่ตัวเร า, าดูไปจนมันพอมันดูแล้วดูอีกมันไม่ใช่ดูวันเดียวเสร็จนะต้องดูซ้ำแล้วซ้ำอีกใจก็เกิดความรู้ถูกความเข้าใจถูกมากขึ้นมากขึ้นนะสะสมไปทำถูกแล้วละ่ะครับหงพ่อครับเออความเวลามีสติแล้วรู้สึกว่า กายกับจิตมันแยกออกจากกันอันนี้ผมเข้าใจถูกหรือเปล่าครับอะไรแยกกันนะรู้สึกว่ามันมีตัวรู้ตัวหนึ่งแล้วก็มีมันมีสิ่งที่ถูกรู้อยู่ข้างนอกนั่นแหละถูกแล้วละแล้วก็แต่มันจะเห็นว่าพอกลับเข้ามาดูข้างในมันจะเป็นพงๆว่างๆใช่ถูกแล้วล่ะแล้วก็มีการสั่นสะเทือนของภายในอยู่ถูกยิบยับยิบยับแต่ว่ามันจะมีข้อเสียบางทีจิตมันชอบอยากออกไปรู้อะไรอย่างแบบให้รู้วอยาก ให้ hmm hey, รู้ว right. okay. ่าอยากนะกระทั่งส่งเข้าไปในนี้ก็ยังส่งออกนะครับเคลื่อนเข้าไปในโพรงเนี่ยชอบออกไปอยากออกไปเห็นอยากออกจิตมันคิดเองอ่ะครับอยากไปรู้ไปเห็นอะไรเงี้ยมันห้ามไม่ได้หรอกนะตัณหาจะเกิดก็ห้ามไม่ได้ให้รู้เอาครับฝึกใช้ได้นะฝึกดีแล้วล่ะครขอกลับบ้านต่อไม่ทหอีกจริงต้องเด่นเดียวนะทําไปเด็กเด่นเดียวแต่ไม่ใช่ทําแบบคลุ้มคลั่งเอาเป็นเอาตายนะ หมาถึงว่าไม่ไม่ถอยไม่เลิกดูแล้วดูอีกดูแล้วดูอีกสะสมไปทําได้ดีอยู่กราบด้วมาตรการหลวงพ่อเจ้าขันส่งกันปน้ายเป็นครั้งที่สองในรอบสามเดือนอครั้งที่แล้วหลวงพ่อบอกว่าขังมันแยกแล้วแต่ฟุ้งเก่งและให้กลับไปดูตัวฟุง้ง mm hmm. ในระหว่างที่เดินจงกลมหรือว่าอิริยาบถในชีวิตประจวาวันก็รู้สึกว่าดูได้บ้างตอนที่จิตมันไหลไปคิดแต่ช่วงที่ทําการงานหรือพูดปากผู้คน พูดคุยเนี่ยตรงนั้นจะไม่ได้แต่พอเมื่อมาทํางานกับตัวเองถ้านถึงสอนว่าอยากคลุกคลีก็คลุกคลีต้องคุยนะคุยภาวนายากก็จะได้ตอนทํางานกับตอนอุปยพภาวนาดีขึ้นแล้วล่ะนะต้องไปทําอีกจะมีตอนเช้าที่ต่จงกลมนะคะแล้วช่วงหลังๆเนี่ยพอมีแต่เราว่างก็จะเพิ่มนั่งสมาธิด้วยแต่ก่อนเนี่ยดูพองยุบอย่างเดียวแล้วพอเห็นจิตที่คิดน่ยจะโมโห แต่ตอนหลังๆเพ่าบอกว่าให้ดูตรงที่คิดแต่ตัวฟุ้งเป็นตัวดูเลยก็รู้สึกว่าสบายดีค่ะตัวตัวฟุ้งไปทั้งตลอดเลยแล้วก็นานๆก็จะเห็นพองยุคทีแต่เราจะดูตัวฟุ้งมากกว่าบางครั้งก็จะเห็นว่าตอนแรกๆมันจังไม่มีอะไรแล้วพอลงกายน ะ, ะต้องมีมสมาธิพอนี่สมาธิเราไม่ค่อยจะมีดูจิตไปะนะจิตฟุ้งซ่านหรือว่าฟุ้งซ่านเนี่ยพ่ะหนุ่มที่ใส่แว่นตาที่เพิ่งส่งกันบ้านเสร็จอ่ะนั่งสมาธิอย่างนี้โมหะจะเข้านะไม่ถูกอ่ะ อยู่ๆก็น้อมจิตเข้าไปนิ่งๆอย่างนีนมุดๆนะพอลืมตาขึ้นมาเนะโมหามันแทรกนะงั้นมันไม่ถูกตั้งแต่จุดเริ่มต้นนะยิ้มหวานๆก่อนแล้วใช้ใจอย่างเนี้ยเห็นร่างกายหายใจด้วยใจที่สบายไม่ใช่น้อมบีบบีบี บ, บ, บ, บเพื่อจะให้สงบเร็วๆนะไปบังคับให้สงบเร็วสงบผู้ช่างไม่สงบผู้ช่าง เอาหนไปทําต่อไม่มีปัญหาอะไรละจุดใหญ่คือเรื่องฟุ้งซ่านเท่านั้นเลยต่อไปอนิมมนสการาาครับหลวงพ่อมาครั้งแรกนจิตเท่าไหม่แล้วเปกดไหมนั่นเองก็ก็คือว่าได้ไ ด, ได้ทําสมาธินะครับแล้วจิตมันหลงไปซึมในสมาธิปุ๊บหน้าหลวงพ่อก็มาปุ๊บอมาแล้วไปไหนไปไหนหุ่ยตายแล้วอย่างเงี้ยครั้งหนึ่งเนะครับหลวงพ่อมาปรากฏหน้าแล้วก็ เดือนที่แล้วกลับไปต่างจังหวัดแล้วเสร็จปุ๊บทาทําสมาธิไปก็นอนนอนปุ๊บแต่ว่ากลัวผีอยู่นะครับต่างจังหวัดแล้วเสร็จปุ๊บกายมันมันดึงออกมาครับเหมือนกับมันจะออกจากร่างครับแต่ก็กลัวนี่คือสภาวะอะไรครับหลวงพ่อครับือสภาวะอะไรครับที่่ที่ยานจะออกมาจากร่างไม่แปลกหรอกครับเนะจิตนั้นมันถอดออกจากร่างได้อ๋อครับเวลาถอดออกมามันก็มาสร้างกายชิปขึ้นมา เับก็ให้ให้พอรับรู้อยู่ว่าตัวมันอยู่ที่นี่ครับแต่ก็กลัวกลักกวขข อ, ออกไปแล้วขออนุญาตครับเพราะกลัวเขาออกไปแล้วกลัวจะคนอื่นก็ไม่เชื่อเข้ามาใช่ครับครับผมก็ดีแล้วด่าที่กลัวแล้วก็อถ้ายืนถ้ายืนทําภิปัสษนาอยู่ถ้ายืนเนี่ยครับมันจะเหมือนกันมีแบบใบพัดนะครับ ที่มีหมุนหมุนอยู่ใต้เท้าครับแล้วมันจะร้อนขึ้นฟุฟุบฟุ๊บฟงนี้ครับขณะที่นั่งนั่งสมาธิหรืออะไรเงี้ยมันจะมีหมุนหมุนอยู่ตรงนี้ครับเหมือนนั่งฟังหลวงพ่ออยู่มันก็จะมีร้อน้อนฟุบฟุ๊บฟุ๊บฟุ๊บเราเยาส่งจิตใปที่นั่นนะอ๋อครับให้เรารู้ทันใจที่สงสัยใจที่ชอบใจที่ไม่ชอบครับกลับเข้ามาที่จิตนี้ครับผมไม่อยางนั้นจะถ้าไปหมุนตามมันจะหมุนกันใหญ่ครับผมมีขอการบ้านนี่หลวงพ่อครับจิตใจ ห้ามมันไม่ได้หรอกครับดังไม่ว่านิมิตจะเกิดขึ้นประการใดนะครับย้อนกลับมารู้ทันจิตไว้ครับนะจิตดีจิตไม่ดีจิตสงสัยจิตฟุ้งซ่านจิตอลไรรู้ทันก็ไปนะนิมิตแปลกปลอมก็จะหายทั้งหมดสาธุครับของการปฏิบัตินี้ให้หลวงพอ่อสุขภาพร่างกายแข็งแรงสอนพวกเราตลอดไปครับสาธุตลอดไปคงไม่ไหวนะคงได้สักช่วงหนึ่งอนุโมทนานะ กลับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ครับไม่ได้ส่งกับบ้านหลวงพ่อมานานมากแล้วครับพอทราบได้บ้างแล้วว่าตัวตนไม่มีตัวอะไรนะ ต, ตัวตัวเราไม่มีแต่ว่ามันยังไม่เด็ดขาดตัวอะไรนะตัวตนตัวของเราไม่มีอ๋อตัวตนไม่มีนะแต่ว่าเหมือนมันไม่เด็ดขาดไม่เด็ดขาดเรามันยังแฝงอยู่นะนะวิธีดูดูตรงนี้นะสังเกตดูใช้ใจที่ปกติ ตัวที่ไม่ได้ไปรักษาไว้นะใช้ใจที่เป็นธรรมชาติปกติเลยเนะี่ยแล้วเวลาที่มันคิดเนี่ยมันจะมีเราซ้อนอยู่หลังความคิดจะมีเงาของความเป็นตัวตนนะซ้อนอยู่หลังความคิดนะถ้ากระทั่งยังมีเงานิดนึงก็เรียกว่ายัางไม่ขาดจริงนะเดี๋ยวมันยังงอกขึ้นมาได้ใหม่ไปทำอีกไปอย่ารีบร้อนนะตั้งใจเย็นๆได้ก็ได้ไม่ได้ก็ช่าง ปฏิบัติบูชาพระพุทธเจ้าได้เท่านี้ดีทักหนาแล้วคิดอย่างนี้นะครับขอหลวงพ่อทุกด้วยนะหลวงพ่อทุกทุกแล้วนะเเดินจออย่าไปจงใจอย่าไปตั้งใจมากไปนะอะต่อไปการนมัสการการหลวงพ่อเป็นการส่งการบ้านครั้งแรกแล้วก็มีโอกาสได้มากราบหลวงพ่อครั้งแรกอะค่ะตั้งใจมาตั้งแต่ตีห้าอยากเห็น ท่านนะคะใกล้ชิดแบบใกล้ชิดนะคะแต่ว่าวันนี้รูยกมาอย่างนี้ยกมาตั้งๆอย่านี้ค่ะปฏิบัติมาหลายแนวอะค่ะมามาหลายปีแล้วแต่ว่าเริ่มเริ่มฟังซีดีหลวงพ่อมาประมาณสองถึงสามเดือนนะคะไม่ทราบว่าต้องนเรารู้หรือเปล่าว่ามันเปลี่ยนความเปลี่ยนแปลงของตัวเองดูออกไหมล่ะดูออกซีดีหลวงพ่อไม่ธรรมดานะฟังเดือนสองเดือนสามเดือนเนี้ยชีวิตจิตใจมันเปลี่ยนได้ เราจะรู้ว่าการปฏิบัติเก่าๆส่วนใหญ่ที่ทามาเนี่ยคือการปรุงแต่งเราไปแต่งฝ่ายดีพยายามปรุงแต่งแต่งอย่างโน้นแต่งร่างกายเดินอย่างนี้หายใจอย่างนี้ขยับอย่างนี้นะจิตใจก็แต่งง้อยอย่างนั้นให้มันดีอย่างนี้อย่างโน้นเรื่องของความปรุงแต่งทั้งหมดเลยมันไม่ใช่วิปัสนาวิปัสนารูกายอย่างที่กายเป็นรู้ใจอย่างที่ใจเป็นมันง่ายๆนะไปทาต่อไป อขอบพระคุณค่ะหลวงพ่อเดี๋งวตอนนี้จิตไม่ไม่ธรรมดารู้สึกไหมเราบังคับมันเราตื่นเต้นเราก็กดนะโดยปกติถ้าไม่กดเนี่ยจะฟุ้งเก่งนะถ้ามันฟุง้งเพรา ะ, ะั้นเราจะมีเครื่องอยู่ของจิตอยู่กับลมหายใจอยู่กับอิริยาบทอะไรก็ได้นะอยู่กับพุทโธก็ได้แล้วแต่เราสะดวกแล้วแต่เราถนัดเราอยู่ไม่ใช่เพื่อว่าห้ามจิตไปที่อื่นนะไม่บังคับ เรามีเครื่องอยู่ของจิตเราเวลาจิตหนีไปเราค่อยรู้เอาว่าหนีไปแล้วสมาธิเราจะค่อยดีขึ้นดีขึ้นกับน้ำมัสการครับหลวงพ่อผมไม่ได้ส่งกันบ้านมาเกือบปีนะครับผมคือในครั้งนี้ผมรู้สึกว่าจิตมันห้าวหาที่จะส่งกลับบ้านมากนะครับคือผมได้เรียนรู้การปฏิบัติด้วยวิธีการดูจิตตามที่หลวงพ่อแนะนามาเกือบสองปีนะครับ แล้วผมก็คิดว่าผมได้ฟังซีดีหลวงพ่อมาเนี่ยมากกว่า2000ลอบนะครับแล้วผมคิดว่าผมปฏิบัติทุกวั น, ท, วนทุกวันที่ผ่านมารูปแบบการปฏิบัติของผมหลังๆที่ผ่านมา1นปีที่ผ่านมาเนี่ยผมคิดว่ามันเข้มข้นมากนะครับคือว่าผมจะสวดมนต์วันละประมาณเกือบชั่วโมงครึ่งนะครับซึ่งในการสวดมนต์ของผมเมื่อก่อนเนี่ยกับสมัยเนี้ยมันต่างกันมากเมื่อก่อนจะสวดแบบสวดสวดไปเรื่อยๆ แต่ทุกวันนี้ส่วนเราจะเข้าใจในในแต่ละประโยคของของบทสวดมากขึ้นแล้วก็แล้วใตอนนี้เนี่ยมันก็จิตมันมันเหมือนมันห้าวหาญมากขึ้นนะครับมันเหมือนกําลังมันมากขึ้นแล้วเหมือนเพราะว่ามันเริ่มจะค้นหาวิธีการศึกษาอะไรที่มันมากขึ้นกว่าเดิมที่ที่ที่มีอยู่ครับแล้วก็ก็ได้ไได้สัมผัสกับการสวดมนต์ในบทของธรรมจักรแล้วก็เข้าไปศึกษาในบทของธรรมจักรแต่แต่ละบทแต่ละบทแต่ละบทเข้าใจในความหมายมันแล้วมันก็ว่า นักทุกวันนี้ครับการปฏิบัติเนี่ยมันใช้ทุกสถานที่เป็นวัดนะครับมันไม่จำเป็นต้องเข้าไปวัดอยู่บ้านก็เป็นวัดอยู่บนรถก็เป็นวัดอยู่ร้านกาแฟก็เป็นวัดอยู่บนเครื่องบินก็เป็นวัดอย่างเงี้ยครับผมแล้วมันก็เหมือนกับว่าจริงๆแล้วเนี่ยทุกวันเนี้ยคือจะมาบอกว่าวันเนี้ยต้องการจะมาถวายงานปฏิบัติที่ที่ผ่านมาให้กับหลวงพ่อโดยที่ว่าไม่ได้มีอะไรติดข้องใจทั้งสิน้นเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วมันติดข้องใจในระหว่างที่ปฏิบัติมาเนี่ย มันได้ศึกษาแล้วก็ได้เรียนรู้แล้วก็ได้ได้ได้พิสูจน์ได้เห็นแล้วก็ได้ลองผิดลองถูกกับมันด้วยตัวเองครับพอถวายงานปฏิบัติครั้งนี้กันหน่อยนะนโมทนานะมีจุดที่ต้องระวังนะคือการเจริญปัญญาเนียถ้ามันปัญญาเยอะไปนะมันจะฟุง้งฟุ้งในธรรมะตัวนี้เป็นจุดที่ต้องระวังนะการฟุ้งในธรรมะนะถ้าใจเราไม่ฟุ้งสัน้น เราก็รู้สภาวะไปสบายๆนะการที่มีความรู้แตกฉานมากเนี่ยไม่ดีหรอกนะรู้ซื่อๆรู้แค่ว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ดับสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ดับหลวงพ่อก็เคยเป็นก่อนเนี้ยมันเกิดความรู้ความเข้าใจลนะมากมายล้วก็พยายามทรงจาไว้รู้ดีๆทั้งนั้นเลยสองสามวันนะเหมือนไปไหนก็แบกตู้พระไตปิดกไปด้วยเรารู้สึกเป็นภาระของใจ ความรู้ทั้งหลายนะเป็นภาระของใจนะแล้วเรารู้ซื่อๆรู้ง่ายๆแค่ว่าอะไรเกิดอะไรนั่นก็ดับเพราะแต่ของเกิดแล้วดับบังคับไม่ได้ดูง่ายๆอย่างนี้แหละนะใจมันจะสบายดูไปซื่อๆคือว่าที่ที่ผมปฏิบัติมาครับคือมันไม่มันมีความสึก ว, ว่าไม่อยากคุยธรรมะกับใครทั้งสิ้นครับออมันเหมือนกับว่ามันอยู่กับตัวเองนะครับออแล้วก็ก็คือถ้าเกิดปฏิบัติแล้วแต่ว่ามันจะมีคนเห็นนะครับ คือผมได้เคยไปเมื่อเมื่อพรรษาที่ผ่านมาผมได้ไปพุทธคยาไปปฏิบัติที่พุทธินผมก็ไม่เข้าใจครับผมก็นั่งปฏิบัติของผมไปแต่ก็เหมือนมีคนเห็นเนี่ยคนอื่นเห็นเองอะครับผมอย่างพระอย่างชีอย่างคนที่ไปมือนนะั้นเขาผมไม่รู้จักเขาแต่เขาก็มาทักผมว่าปฏิบัติดีผมก็บอกว่าผมปฏิบัติในแนวดูจิตของพ่อผมก็บอกแค่นี้ไปแล้วผมก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ต้คือมันอารมณ์มันไม่มีความสึกว่าอยากจะ เออไม่ ห, ไมหมายถึง<ม> <ทำ S 1> ว่าปัญญาเนี่ยนะปัญญาเราไม่ต้องไปคนกว่าเยอะนะถ้ามันรู้ก็รู้รู้แล้วก็วางรู้แล้ววางไปนะออถ้าเราค้นกว่าเยอะเนี่ยจะเสียเวลาไม่จะช้ากว่าที่ควรจะเป็นนะดูไปสบายๆเห็นแต่ว่าทุกอย่างไหลมาไหลไปไหลมาไหลไปดูง่ายๆนะต้องจะไปเร็วกว่านี้เขากราบน้อมน้อมหลวงพ่อประโมท ด, ด้วยเสียงกล้าวครับผมหลวงพ่อครับผมบการเรียนรู้ของผมเป็น เมือนักเรียนป .4 ครับป .1 เนี่ยเริ่มแยกรูปแรกน้ําได้พอป .2 เนี่ยผมเริ่มรูปน้ําที่เป็นทุกข์แหละต้องดับมันพอขึ้นป .3 เห็นพอขึ้นปปุ๊บเริ่มเห็นตัวผู้รู้พอขึ้นป .4 ปุ๊บเนี่ยต้องดับตัวผู้รู้แล้วการความรู้สึกของผมก็คือตอนแยกรูปแรกน้ําได้เนี่ยก็คือว่าอย่างกรณีเรากายเราก็แก่เป็นธรรมดาอยู่แล้วความรู้สึกสุขทุกข์มันเข้ามามันก็เกิดดับเป็นธรรมดา ก็เกิดจากการกำหนดกำหนดเข้าไปแต่พอวันนึงเรากำหนดไปมากมากเนี่ยตัวหนึ่งมันจะถามตัวเองว่าทำไมผมต้องมากำหนดที่มันซ้ำซากจําเจแบบนี้ด้วยผมใช้เวลาทดสอบตรงนี้อยู่หลายครั้งว่าสิ่งที่ผมคิดนี่มันถูกหรือผิดกันแน่สุดท้ายแล้วมันถูกจริงๆครับเพราะเรามีกายนี้เกิดมาครับเลยเราเลยต้องมาทําแบบนี้ซ้ํำซากจะนั้นรู้แล้วครับว่าต้องดับรูปแบบนามแต่ตอนนั้นทุกข์มากครับยังหาวิธีไม่ได้พอหลังจากนั้นพอเห็นตัวผู้รู้เนี่ย หมายความว่าตัวผู้รู้เนี่ยมันคือตัวที่เราตั้งอยู่และคิดอยู่มันเป็นความสุขอะไรบางอย่างหมายความว่าเวลาเราทําดีหรือไม่ดีปุ๊บเราจะวิ่งมาเทียบกับตัวนี้ตลอดทดําไม่ดีปุ๊บวิ่งมาเทียบกับตัวนี้ตลอดมันเหมือนเราแบกของพระละน่ะติดตัวเราไปครับพอเห็นตัวนี้ปุ๊บมันวางมันโลง่งเดี๋ยวตอนปอ .4 เป็นไงตอนปอ .4 ครับ<笑><笑><笑>เห็นจิตทําลายจิตครับเห็นผู้รู้ทำลายผู้รู้รรครับหลวงปู่ดูลบอกทางเขาที่ผ่านไปด้วยครับอือม <at> <at> รับผม แล้วก็อีกอย่างนึงครับอันนี้ขอความรู้เพิ่มเติมครับยังกรณีทำธรรมะโอโสดครับคุณพ่อครับผมรู้มันต้องเหนือกว่าสมาธิสิบระดับขึ้นไปหมายความว่าต้องเข้าอากินจายาจะนะแต่ผมไม่เข้าใจในห้าสมาธิระดับที่เหลือครับเรื่องจากสภาวะผมไม่ถึงจริงๆครับไม่เข้าใจอะไรนะอ่าการทำธรรมะโอสถนะครับอย่างพ่อแม่ครูบาอาจารย์ครับเวลาท่านไปปฏิบัติในป่าท่านไม่ได้ฉันยาไม่ได้ฉันอะไรแต่ท่านใช้วิธีการส่งสมาธิ และเข้าไปรักษาร่างกายภายในทุกนี้น่าสนใจมากครับ ซ, ซึ่งผมยังไม่มีความรู้ตรงนี้คับหลวงพ่อครับตอนนี้ฝึกสติก่อนนะใจเนี่ยมันไปเจอสภาวะอันหนึ่งเป็นวิปัสสนูอย่างหนึ่งนะมันจะฟุ้งเลยสังเกตไหยเวลาเล่าทำรรมาให้หลวงพ่อฟังเนี่ยมันลืมตัวเองเลยนะมันอินนะดังั้นตอนนี้เพิ่มพลังของสติให้มากขึ้นก่อนหายใจไปหายใจกลับมาเบสิกให้ได้เลย ใ, ใจออกให้ใจเข้ารู้สึกรู้สึกรู้สึกนะส่วนธรรมะอุปสนะไม่ยากอะไรหรอกนะพอใจมีสมาธิแล้วเนี่ยมันทําได้หลายแบบนะอย่างบางทีเราไม่สบายไม่มีใครช่วยเรานะยาเสพติดก็ไม่มีกินเราก็อธิษฐานเนะอาอธิษฐานเรามาที่นี่ไม่ได้มาเบียดเบียนใครนะเรามาปฏิบัติอยู่ในป่าในเขาเนี่ย ไม่ได้เบียดเบียนใครมาเพื่อสร้างความดีให้ตัวเองมาสืบศาสนาถ้าบุญยังมีอยู่เนี่ยขอให้เทวดาช่วยด้วยอย่างนี้ก็ได้นะนุมอัศจรรย์นะช่วยกันจริงๆมีหลายแบบเราใช้สมาธิแผ่รังสีเข้าไปก็ได้ในทำสมาธิให้เกิดปีตินะอาศัยพลังของปีติมารักษาร่างกายก็ทำได้ทำได้หลายอย่าง แต่ตอนนี้มีสติบ่อยๆก่อนรู้สึกรู้สึกม่แน่ใจจะฟุง้งไปปรับนิดนึงน ะ, ะการนมัสการหลวงพ่อค่ะส่งการบ้านครั้งแรกค่ะก็ฟังแนวทางการปฏิบัติของหลวงพ่อมาประมาณเจ็ดแปดเดือนนะคะก็ทำในรูปแบบทุกวันก็มีเวลามากก็ทำมากเวลาน้อยก็ไม่น้อยกว่าสิบห้านาทีก็แต่ว่าตั้งใจที่จะทำทุกวันแล้วรักษาสี่ห้าก็มีบกพร่องครอบ พูดเพลเจอร์บ้างมีช่วงของวันที่รักษาได้ดีช่วง บ, บางช่วงของวันที่ที่ที่ผกพองเรื่องเพลเจอร์นี้บ้างค่ะแต่ก็ก็พยายามตั้งใจค่ะก็อยากถามว่าคือลูกเป็นคนที่นั่งเฉยๆไม่ได้มันจะง่วงซึมไปเลยลูกก็เลยเลือกกรรมฐานแบบเดินจงกรมหรือไม่กข็ขยับมือสวดมนต์แล้วก็รู้จิตที่มันฟุ้งซ่านนี่คะ่ะลูกจะฟุ้งซ่าน แทนที่จะไปเดินจงกรมเสียเวลานะไปกวาดบ้านนะไปกวาดบ้านไปทำงานที่ใช้ร่างกายนะทำงานไปเรื่อยๆแล้วก็รู้สึกกายรู้สึกใจไปแม้ตอนที่ไปเดินจงกรมเนี่ยมันเอาจริงมากไปรูกติดเพ่งหรือว่าติดสมาธิอะไรไหมคะไม่ติดลมฟุ้งฟุ้งใช่ไหมคะค่ะก็มีอีกข้อหนึ่งค่ะคือบางที ไม่แน่ใจว่าเป็นผูกฟุฟ้งซ่านหรือเปล่าบางทีจิตมันก็สงบอยู่ในในชีวิตประจําวันนะคะสงบอยู่ที่ลมหายใจบางทีก็ไม่เอาลมหายใจจะเอาพุทโธบางทีพุทโธก็ไม่เอาลมหายใจก็ไม่เอาก็อยากจะดูกายขยับเฉยๆอย่างนี้ค่ะลูกควรจะตัดสินใจให้เด็ก ใ, ให้รู้ทันว่าใจฟุงฟ้งซ่านฟุ้งซ่านนะให้รู้ไปควรจะเลือกกรรมฐานไปเลยนะคะว่าลูกควรจะอยู่กับอะไรเราทํากรรมฐานอันใดอันหนึ่งเนี่ยนะ เพื่อจะเห็นทันจิตของตัวเองงั้นถ้าเราเปลี่ยนกรรมฐานไปเรื่อยๆเราจะเห็นจิตไม่ชัดหรอกค่ะค่ะลูกเข้าใจว่าลูกแยกข่าแยกขาแล้วก็เดินปัญญาแล้วลูกเขา้าใจ <ไป S 1> ถูก <ไป S 1> ฟุ่งไ ป, ไปหน่อยนะค่ะมไม่ต้องกลัวเริ่อปัญญานะเดี๋ยวมันเดินเองแหละตอนเดือสมาธิเพิ่มขึ้นเกิดใสมาธิใจปันจะฟุ้งซ่านอยู่นะสมาธิก็คือทํางานบ้านไปใจไหลไปเรารู้ไหลแล้วรู้ นะอย่างนั้นถึงจะดีค่ะอันนี้คือการบ้านที่ให้ลูกไปทำใช่ไหมคุณคุนค่ะของคุณที่นั่งหัวแถวนะนะเมื่อกี้นี้ใช้ได้นะไม่ใช่ผู้ชายนะั่นแหละแต่ตอนนี้ไปบังคับแล้ว ไ, ไปบังคับเลยเมืน่อะกี้เป็นธรรมชาติมัอ แ, แค่รู้สึกเกิดที่เราไม่ได้เจตนานะอานนั้นแหละดีมาตรการครับหลวพ่อ นี้ครบรอบปีพอดีครับที่ได้ซีดีของพ่อแล้วปฏิบัติมาครับออสองเดือนแรกเห็นความก้าวหน้าครับแต่ว่าพอหลังจากนั้นเนี่ยมานั่งแก้ปัญหาเรื่องเพ่งอย่างเดียวเลยครับตอนนี้ก็ปวดหัวอยู่ครับเพ่งรั่วเพ่งนะไม่อยากเพ่งรั่วไม่อยากนะมีมีสนใจเรื่องเพ่งมากะที่มันเพ่งขึ้นมาเพราะมันอยากดีมันจงใจจ้องเอาไว้ทีนี้ถ้าเราเพ่งรั่วเพ่ง อยากให้หายรู้ว่าอยากเนรู้ทันความรู้สึกเขาเลยไม่ต้องไปนสนใจตรงที่มันเพ่งไม่เพ่งก็ได้เพราะเพ่งก็ไม่เที่ยงครับที่ปฏิบัติผ่านมาถูกต้องมั้ยครถูกมันถูกเป็นลําดับลําดับไปนะ เ, ออเดี๋ยวต่อไปมันก็ถูกมากกว่านี้รนกราบนมัสการหลวงพ่อครับคือผมตั้งแต่ฟังซีดีแล้วปฏิบัติมาก้าปีแล้วครับแต่ว่าช่วงหลังๆไม่ได้ส่งกันบ้านมาหลายปีนะครับ ได้ฟังได้เจอหลวงพ่อบ้างแต่ไม่ได้มีโอกาสสมนี่เป็นครั้งแรกในรอบสี่ห้าปีครับ อ, อ, อยากจะถามหลวงพ่อว่าผมปฏิบัติเนินช้าไหมครับไม่ช้าหรอกคือช่วงหลังๆรู้สึกมันเหมือนกับไม่ค่อยพัฒนาเลยนะครับมันโลภดิ <laughs> มันโลภครับ <laughs> มั น, มนไม่ ไ, มได้อย่างใจ <laughs> เราไม่ได้พาณนาวอดีอาวิเศ ษ, ว, เศษวิโสอะไรนะ ภาวนานก็แค่พาจิตให้เรียนรู้ความจริงของรูปนามไปนะเขาจะรู้ความจริงเมื่อไหรน่นีเราสั่งไม่ได้แล้วก็เรื่องเครื่องอยู่ครับคือเป็นคนที่ปฏิบัติมา9ปีเนี่ยยังไงเครื่องอยู่ก็มีอย่างเดียวไม่ได้ครับคือมันเหมือนกับว่าพอเจอสถานาการณ์เปลี่ยนมันก็ต้องเปลี่ยนนะครับมันไม่ยอมอยู่ในอารมณ์เดียวรเราใช้จิตเป็นเครื่องอยู่นะส่วนเปลือก จะใช้กรรมฐานอะไรนะแค่เปลือกเปลือกนะเพราะ้นไม่ว่าจะใช้พุโทโธจะใช้ลมหายใจจะใช้อิริยาบทจะใช้แผ่เมตตานะรู้ทันจิตไปเราใช้จิตเป็นวิหารธรรมนะแล้วอย่างบางทีมีภาษะแรงๆแล้วเหมือนมันจะล้นมาทางกายวาจาครับหรืออย่างบางทีมันไปรู้แล้วก็ทื่อๆไม่ยอมไม่ยอมเหมือนกับเหมือนมัน ง, ง้อๆครับก็ ใช้พิจารณาถูกแล้วถูกแล้ ว, ลวใช่ไหมครับอันนั้นถูกแล้วมันจะช่วยหมายว่ามันยึดไม่ยอมว า, างเล้วครับคําว่ามีกรรมฐานอันเดียวเนี่ยนะหมายถึงว่าในภาวะปกตินะแต่ว่าเครื่องมือในการสู้กิเลสเนี่ยสารพัดเลยนะศีล ส, สมาธิปัญญาเนี่ยทั้งนั้นเลยนะกิเลสรุนแรงมากเราสู้มันไม่ไหวเข้าป้อมคือรักษาศีลนะเหมือนเข้าป้อมป้องกันตัวเองไหเท่านเองเรากับกิเลสเนี่ยฝีมือพอๆกันผัดกันแท้ผักันชนะนะ เราสู้ด้วยสมาธิช่วงไหนสมาธิเราดีเราก็ลุยมันช่วงไหนสมาธิเราอ่อนนะกิเลสก็ลุยเราถัดกันแพ้่ันกันชนะนะถ้ากิเลสอ่อนกำลังแล้วเรามีกำลังมากนะ ใ, ใช้ปัญญาเนะนี่นปัญญาเป็นงานที่ประณีตแต่ว่าเครื่องอยู่เนี่ยเครื่องอยูนะ่ให้จิตมันมีบ้านนะมันควรจะมีบ้านหลังเดียวนะหรืออย่างมากไม่เกินสองหลังถ้ามีบ้านมากๆเนี่ยมันจะดูจิตไม่รู้เรื่องนะ อย่างที่ผ่านมาจริตโดยพื้นฐานเนี่ยเป็นวิตกจริต<ช>ก็จะใช้คือเวลาฝูงมากๆเนี่ยก็ต้องอยู่กับอารมณ์หายใจครับแต่ว่าพอพอไม่ค่อยฝูงแล้วเนี่ยลมหายใจมันกลับใช้ได้ไม่ดีครับมันก็ต้องเปลี่ยนเนี่ยเรารู้จิตไปเลย ร, รู้ทันจิตไปเลยดูดูจิตเป็นหลักใช่ไหมครับใช้จิตเป็นใช้เ น, นชชเป็นหลักใช้จิตเป็นวิหารธรรม ถ้ามีกิเลสรุนแรงก็หาวิธีรับมือใช้เครื่องมือใช้เปลี่ยนเปลี่ยนไปได้ใช่สู้ไว้ไหวก็ถอยคือรักษาศีลไว้ไม่ให้ผิดศีลครับสุดท้ายนี้อยากให้หลวงพ่อชี้แนะว่ามีอะไรที่ควรปรับปรุงไหมครับไปทําอีกสิทําถูกแล้วละ่ะในลําดับสุดท้ายก็จะเชิญทุกท่านกล่าวคําถวายทานครับ ท, ท่านพนมมือน้อมจิตกล่าวตามครับ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 และครอบครัวตราบสิ้นกาลนานเทินอยยาถาวาริวหาปุราปริปูเรนตตสาคารังเอวามวาีตโตทินัางเปทานังอุปกปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิ ป, ปะเมวะสมิชตุสัพเพปูเรนตูสังก ป, ปาจันโทปันนรสอยาถามะนีโชติรสซยาถา สัพพีติโยวิวัตชนตุสัพรโรโควินั ส, สตุมาเตภวัตวันตรายโสุขีธีขายโยโกภวะอภิวาทนาศีลิสนิจังวุทธาปจายโนจัตตารโธธรมาวัฏหันติอายุวันโนสุขขังพระลังสาธุฟังแล้วไปปฏิบัตินะเราจะได้ช่วยกันรักษาศาสนาไว้ พุทธบริษัท4ี่พิ ส, สูพิษุเนีวุาสกบาสิการภิกษุนีหมดไปก่อนแล้วนะพิสูในเมืองไทยเหลืออยู่สักสองแสนหนึง่งนะอุบาสกบาสิกามีตั้ง70กว่าล้านอย่าทอดทุระว่าธรรมะไม่เกี่ยวกับเราศา ส, สนาไม่เกี่ยวกับเราไม่ไดนะ้เวลานี้พระอ่อนกําลังลงนะพระสังคมนะพระก็ไม่เข้าใจสังคมสังคมก็ไม่เข้าใจพระนะนะอ่อนกําลังลงมากแล้ว การอาศัยอุบาสกอุบาสิกานี่แหละตั้งอกตั้งใจเรียนนะแล้วก็ภาวนาวันนึงเราจะรู้ว่าพระพุทธศาสนานะั้นมีคุณค่าขนาดไหนนะใ่เราจะมั่นคงในพระรัตนตรเห็นไหมเราเคารพในพระรัตนตร น, นะไม่ใช่เคารพหลวงพ่อนั้นหลวงปูน่นี้สมเด็จนั้นไม่ไม่ใช่เรานะนั่นตัวบุคคลนะนนถ้าอย่างนั้นเราจะได้รักษาศาสนาอาไว้พวกเราหลายคนยังต้องกลับมาเกิดอีก ถ้าศาสนาหมดไปแล้วจะลําลบากนะพยายามตั้ง อ, อกตั้งใจเข้าภาวนาเอาปัจจุบันให้เต็มที่รู้แล้วบอกต่อแต่บอกเท่าที่รู้อย่าบอกเกินที่รู้นะถ้าใครเขาถามอะไรเราตอบไม่ถูกเราก็าเอาซีดีหลวงพ่อไปให้แทนนะอย่าไปคิดตอบเอาเองเดี๋ยวเพี้ยนนะบาปกรรมตัวอีกนะแ ล, ะละ้ล่ะเดี๋ยหลวงพ่อไปแล้ว